พระธรรมเทศนาแผ่นที่หนึ่งร้อลำดับที่11โดยหลวงพ่ออินทไวสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุรุธานีแสดงธรรมในวันที่10บตุลาคม2559หมีชื่อเรื่องว่ากองทัพเจดีเดินด้วยท้องอยาส ม, มุนไพรเมื่อวานนีที่มาจากบ้านสวนนะเอามา ขวดใหญ่50หสิบขวดหลวงพ่อเอาไว้ขวดหนึ่งหลวงพ่อแจกสำหรับพระที่มีอายุพระผู้เฒ่านะให้สองขวดพระน้อยพระหนุ่มให้องละขวดแล้วก็เมือว่านเมือกอนทั้งบ่านตาดเขาก็าเหตุงานนะปลูกต้นใหม่หรือต้นใหม่ถอนต้นใหม่ออกจาก บริเวณที่จะสร้างเจดีย์พิพิธภัณฑ์าาของหลวงตาหลวงพ่อกัให้กุปต์ต่ำกับโซโฟเฟอร์โอหมักฮงหมักเน่ากล้วยปิกนัปหนึ่งบอกห ม, ะมะว่บ้านไปส่งให้ทางบรรตาศเป็นสนับสนุนเข้าเป็นผู้สนับสนุนด้สนับสนุนให้สร้างประมาณผู้ตัดสินใจผู้สนับสนุน เนี่ยนระานับสุนเป็นแบบนี้แล้ะแล้วก็ต่อไปนะทรงเป็นระยะระยะหอหัวหน้ารุ่นหัวหน้ารุ่นหัวหน้าต่ำหัวหน้าวิตนะซอยๆกันเบิงกันหอดมันเมดดล้วก็ก้าวามันล่ะกันมะคุงเขาขมีหลายอยู่แล้วก็ประกาศเอาจากพี่น้องลูกหลานพอได้อยากได้บุญออกมานะเนอมะคุงนะเนอะมคุงมะนาว กระเทียมหัวหอมมันั่นและแล้วก็ไปสื่อเอานนำปูนนำปลาใส่เข้าไปให้มันครบสูตรตาสมบมูรณให้เจ้หา้าทีเคยๆกินพราแห้งแลละเด้ใส่เข้าไปใส่ดเบังคันอยากไปแล้วก็ประกาศไวส้สักมื่นสองหมือนบอกกาวกันอย่างมื่เสิบจะเออหมื่นอื่นเนอะเอา ม, มาคุณมาให้เ้ยเนอผู้ใดมีมะูรณสวนผู้ใด เดี๋ยวจะเอาไปรวมสมทบสร้างเรียงคนสร้างพระเจดีย์ของหลวงตาการโปรดรอยากได้บุญเอามาเด้อเอาก็บอกนั่นแหละการโปรดรอยากได้บุญก็โบปยังตลาดเมืองทองมีอยู่ไปหอดหัือเอาสร้างอาหารเข้าไปหันก็ได้โเป็ยังแต่ว่าตามไม่จริงมันควรจะบอกกันนั่นแหละสร้างบุญสร้างกุศล ดันเนี่ยเขากำลังลื อ, อต้นใหม่ออกจากบริเวณมิหารพวกเช่าบ้านมันหลายคนก็ต้องมีต้องมีอาหารนั่นลกองทัพต้องไปด้วยท้องเพราะดันในพวกเข้าสะนับสนุนเน้อวผู้ใดได้ยินเสียงลงพอนพี่น้องเช่าอุดรจะ เ, เป็นนอนรับทัพชิดดูจะซื้อผู้อดได้ อันนึ่งเราเคเป็นบุญเป็นกุศลเอาสางเจดีเผื่อบูชาพระคุณหลวงตาสางเพื่อบูชาพระคุณแต่พ้นสร้างแล้วก็แมนพวกกแมนสางต่างคนต่างสางที่เป็นอย่างบวมอนที่สางมองเดียวกันหลวงพ่อยางสางหน้าคำหน่อยก็มี่สางผู้ก่อนก็มี่สางที่ใดใก็มีต่างคนต่างสางการไปหาสางกระจุกอยู่มองเดียวใดจังใด แต่กันผู้ใดก็าตามหลวงพ่อบอกนะใครจะหวังแพ้หวังชนะกันมันโมเมนต์แน่วัวงแพ้หวังชนะหรอกออสางบุญสางกุศลมีแต่เชิดชูบูชาองค์หลวงตาให้สูงทรงให้เป็นทีรู้จักค้นทั่วโลกน่าใดสีสูงทรงหลุกซิดหลุกหาทั้งหลายต้องมีความผอมเพียงสามัคคีกันหักกั น, น, นแนวไนดีเนี่ยแต่ขนาดสางเจดีหลวงปู่ลี่ หลวงพ่อยังไปซอยถึงเกือบหาล้านเด้ เ, เงินหาล้านมัเป็นธรรมดาคือกันนะหลวงพออ่อหนึ่งเคยเห็นต่หวัวล้านอะไร เ, เงินล้านหายากเด้ เ, เพราะนั้นหลวงพ่อก็ได้ซอยได้ซอยมัได้ดูดายอันนี้คือกันเจดี JD ของพ่อของเฮาปูของเฮาตาของเฮาหลวงตาของเฮานะเหตุเหตุพ่อหมอซ้อขี่แต่ลายมันบมเมนแนวเด้โมเมนแนวเฉิดชูบูชา เฉิดชุบพระชาติต่ตองถ้าให้สวย ง, งามดูเหมาะสมบอแมที่รูหราโอ้อาบอแมทสีเงินงบลเล่อปลา ก, ก็บอแมทให้ส่งคุณนขาคุณน่านะี่คืออย่งหลวงพ่อก็เลยเปรียบเทียบว่าคุณคนขาเนี่ยคือเออเอาเงินนี่แหละเป็นหลักคือส่งคุณน่าสนะสัง่งคือปริมิดเนี่ยปริมิด อย่างที่เขาปริมิดหินให้สร้างให้เป็นสี่เลี่ยมทั้งแถบด้านละว่าสูงสักสองเมตรกว่างด่านละว่าแต่ให้เป็นท่องขํามทางแทงให้เป็นท่องขํทาทั้งแทงเพื่อบูชาพระคุณหลวงตาพอหลวงตาหาท่องขําเขาข้างหลวงหงตั้งสิบสามตันเลยอันนี้เอาให้เหนือกว่าหลวงตาเอาเป็นลอยตันนี่เพื่อบูชาพระคุณหลวงตา หลวงพ่อต้องการเพียงแค่นั้นละไม่ต้องการใหญ่ญาติานะว่าท่าน่นะสูงสองว่าแล้วก็มีพระธาตุหลวงตาอยู่ทั้งทั้งบูชาพระคุณหลวงตานั่นละ่ะหลวงพ่อต้องการเท่านั้นอันหนึ่งคืออย่างคือศักยภาพคุณค่าถามคุณค่าด้วยใชกี่แสนล้านทองข้ามขนาดนั้นถ้าเป็นทองข้ามตันกี่แสนล้านนั่นละหลวงพ่อต้องการเพียงแค่นั้นละ่ะคือเป็นอามิตรบูชา ปูชาให้สูงศ์ปฏิบัติปูชาเห่าก็ปฏิบัติปูชาเฉยเดีวเดินยงกรมนั่งสมาธิภาวนะประกอบคุณงามความดีเพื่อปูชาพระุ่นหลวงตาถ้าว่าผู้ใดก็ตามหวังแพ้วังชนะในลุกซิตนะพร้อมพากันเป็นโลกโลกนรกทั้งคู่นะผู้แพ้ก็ตกนาลกผู้ไปผู้ชนะก็ตกนาลกชนะได้เลยได้ยังแพ้และได้ยังชนะและได้ยัง ได้ต่กี้เลสราคะโทษสะโมหะนั่นแหะเต็มหัวใจมันั่นแหละตกนรกเพราะนั้นเขาจะไปเอาหวังแพ้หวังชนะอย่างก็หูจักกี่เหลืดีกับสัวหูไหมดีหูไหมดีถ้าหูดีดีให้จังใดสัวให้จังไดสัวให้จังใดอความส่วนไปจังไดเพราะนั้นให้พวกเข้าหูจักดีหูจักสัวจิงจักจิงควรบกขวนเพราะนั่นคอยให้พวกเข้าทุกถูกทันนะ ปู่ได้ยินแต่หมู่ว่านเนี่ยก็ลุงพ่อเขาไปไปเทศสนอวัดโพธิสมพรค้นมากใหมื่ว่านลายีอลี่เขาไปเต็มในห้องแล้วก็ทั้งนอกก็เต็มอีกแต่ว่าเอาเอ็มพี่สามไปแจกหกรอยของหมู่ว่านให้พระเพ่นนับไปแต่ว่าแจกไปหมดยังเหลืออยู่พหลาย แจกพลละแผ่นละแผ่นละแผ่นละแ ผ, นแะแผน่นหลวงพ่อบอกว่าแจกปีแล้วก็แจกแล้วละ่ะมันอาจชะชํำลดปีนี้ออกมาแจกอีกเดอ้อแต่คงจะบุ่นคือการดอกมันแจกครากันจะมาแจกมมมุมว่านฮ่จากประเทศขึ้นประเทศเรื่องลำรับตั้งแต่สมาธิเบื้องตน้นจนถึงวิปัสสนาขันสูงสุด หลวงพอ่อไหลเลี่ยงไห้ฟังแต่บริบาเรื่องศีลเรื่องท่านเนอะเบาหน่อยเรื่องศีลกับท่านนะพอผัวเข้าได้เงินเรื่องศีลเรื่องท่านมันมากก็มากแล้วเรื่องสมาธิกับปัญญานะี่ยโดยมากบมไม่บุคคลไม่กูบาอาจารย์สิแสดงได้เทศไหลฟังหลวงพ่อจิวเวลเรื่องสมาธิกับปัญญาเนะมื่อวานนะก็เลยเทศในเรื่องศีลและสมาธิปัญญาเนะี่ย ถือว่าพี่นอ้องประชาชนฟังดีนะมาว่าเงียบเก็บาจากนั้นเขาถวายจ้ทุปัจจัยได้8ปดหมืนกว่าบางังแต่8ปดหมื่นกว่าบาทถวายกันเทศนะแต่หลวงพ่อก็บอกว่าเออปัจจัยจํานวนนี้นะ8ปดหมืนกว่าบาททุกที่ได้รับเงิอ น, นี่ถึงกันเทศหนะลวงพ่อมอบให้ไว้ในงานนี่เนาะให้มอบให้คณะกรรมการออจัดงานของหลวงปูเฮ้า ราคาปัจจัยจํานวนนี้กันนะไปถวายหลวงปูเมื่อเพิลนได้ใชใ้การเจ็บไข่ได้ป่วยของเพิลนลูกศิษย์ลูกหาพวกนั้นอนะ่ะให้ใช้ให้เกิดประโยชน์หลวงพ่อเหมาะไทั้งเมดนะ่หน้าหลวงพ่อก็หมาะปัใจจัยให้ทั้งมดหมดหมื่นเจ็ดพันเจดพกว่าบาทมาหลวงพออ่อได้พอถึงแสนมอมเนีวะนะ่ว่าแต่เกษตรกรจั้งสี่มันก็ได้ขนาดนี่ก็นับว่า มากแล้วล่ะจากนั้นก็หลวงพ่อก็ออกจากแสดงร้ำก็มาประชุมหาลือเกี่ยวกับเจ้าพคุณเจ้าคณะจังหวัดเพิ่นเจ็บไขไ้เดรุยก็เลยหาลือกันพ่อสมควรแล้วก็ขึ้นไปกราบเยี่ยมเพิ่นเยี่ยมเจ้าคณะจังหวัดอุดรเท่านั้นนะเจ้าคุณเทบมงคล น, นายกหลวงพ่อไปถึงหลวงพ่อก็ยกมือไหวเพิ่นนะ ส ก, กัตตวาพุทธรัตนงังธรรมรัตนงังสังฆรัตนงังโอสถังอุตมังวรังทุกขาพยาโลคาวินัสสันตุหลวงพอว่อ่าับโดยอำนาจพระพุทธเจ้าพระทรมประสงค์คุ้มค้องให้หายจากโลกไพ่ไข่เจ็บพยาโลคาโลคาโลคาพยา ให้หายจากโกคฆ่าพยาธิจากนั้นก็นั่งสนทนากระเพินชั่วระยะหนึ่งหลวงพ่อก็ได้ลงมามีอาจารย์ประคู่ผู้นาลานั่นแหละกับทั้งคู่บาหมอสองสามองค์นั่งคุยกันนั่งสนทนาเปิลกับมาหอดวัดเกือบสี่ถุ่มแล้หลวงหลานเน่มือวานะนี่ยแหละาธนากิจของหลวงพ่อเน่ันบ่บ่ให้ลูกให้หลานฟังก เหมือนกับหลวงพ่อหนะิอยู่กับวัดกับว่าซเฉยๆได้แต่ว่าเบิ่งเบิ่งแล้ว เ, เกิดนันนันอยู่เกินความอายุของหลวงพ่ออยู่แต่ทั้งทึงไหนกระถามบางเสียงบางอย่างอาแกต่อไหนเขาแหงใส่ดีเอาหนูไปลักษณะทังสัตว์แหละ อ, อยากจะให้สนทนาป้าลบอยากให้พูดกับผู้ใดเาข า, าอยากให้หลวงพอนะ่อเน่ะเป็นผู้เบานะกันหลวงพ่อบบาๆเหมือนขึ้ น, ออนจะบแลเล่า เอากระยุไปจริงๆนะวาแต่ตามไม่จริงเข่าหวอบมันก็แล้วอีลีของเราไปทางพุ่นเปิลก็ให้ความเข้าลบยำเกรงหรือว่าให้ความเชื่อฟังตรงพอก็ะโบเมนที่เบาอย่างเอาจใจเจ้าของกบอรบโบเมนขึ้นกันนะว่าบเมนดันทุลังฟังหนาฟังหลังฟั ง, ฟ ง, ง, ฟงเหตุฟังผลพูดไปแล้วก็บางที่กันจะนั่งโตนากันพ่อเฝ้าพ่อเบาไปแล้วกันกรเบิงหนาเขาสะกคนนะเขาพ่อใจป้อ เพราะพอใจก็ลบไม้วนออกไปหลวงพอบำเบลสิดบอหยังจะเอาแต่ใดเจ้าของได้แต่บางสิ่งนี่เอออันนั้นเด็ดขาดอฟังหรือบอฟังก็ตามสี่นิ้วเลยตอนนั้นนั่นอันนั้นกับมีดคือกันเพื่อให้พวกมาอยู่ได้ยินในฟั่งรักเหตุผลหลวงพอมีจุดยืนจังใดอันนั้นต้องมีต้องมีจุดยืนของเจ้าของคือกัน บอมแมนทีฟั่งคนอื่นทั้งหมดกับบอมแมนจะมีแต่จุดยืนเจ้าของดันทุลังพอฟั่งควาา้าไผ่จะเลยกับบอมแมนสรุปแล้วหลวงพ่อนี่หาหลักเหตุผลในการบริหารจัดการดูแลการอู่ด้วยกันกับสิทธิานุสิทธิคณะรัทธายาติโยมหมู่พกเพื่อนทุกองคณะมาหลวงพ่อเหตุอย่งบ๊ถือเอาบอกมาหลวงพ่อยินดีฟัง่ง เล่าฟังแล้วก็จีจ้างอ้างเหตุผลให้ฟังเอกว่ามันมีเหตุผลแบบใดเนี่ยที่หลวงพ่อได้อ้างไปนี่ของหลวงพ่อเองหลวงพอ่อยังเชื่อมั่นในเจ้าของอยู่ในสติในปัญญาในแนวความคิดเนี่ยเพราะนั้นให้พวกเขานั้นลูกหลานทุกคนนะอยู่นสถานที่ใดให้สร้างบุญสางกุศลเอาไว้อย่าตั้งอยู่ในความประมาทแต่ถึงอย่างไรก็ตาม เจดีของหลวงตาเนี่ยกำลังลิเริ่มของทุนของทุนกระมอมจะได้สั่งหรือบ่ได้สั่งอันนั้นเป็นเรื่องอนาคตแต่ต้องได้สั่งนะคุงพ่อคิดว่านะแต่หลวงพ่อเนี่ยเป็นผู้สนับสนุนเนี่ยสนับส น, นุนอาหารการบริโภคมียังขาดเหลือขาดตกก็บอกมานะพวกนั้นพวกให้เฮาฟังฟ่งฟั่งไปเนาะแล้วก็คู่บาญท่วาเนี่ยแหละคูบาทนรุ่น ท่านตทันวิทย์ทิพพระอยู่ในพื้นที่ของเขาบอกบอกงค์ทุกทุกองนะผู้อยากได้บุญก็ บ, บอกปีพีน้องๆหลบร่วมกันผลหมากลากไ่ขนเขาไปเป็นช่วงเป็นช่วงไปเพื่อสนับส น, นุนกองทัพไปด้วยท้องนะ นี่แหละไอ้ไม่อยู่ไม่กินอันนี้หลวงพ่อก็เป็นห่วงอยู่เรื่องอาหารแต่ถึงจะตามไม่จริงัน ว, ว่าหลวงพ่อเขาไปบัรชาเองแล้วไปดูเองมันก็อีกแนวหนึง่งก็ยังคิดอยู่คือกันนะั้นเดี๋ยวอีกสักมือนึงอาจจะเข่าไปก็ได้แต่บอกเข่าไปไประจรอกไปทําถามไปเบิงเบงเนี่ยเป็นอย่งางไยลูกล้าน ขาดเรือขาดตกยังมออาโหงอาหารเป็นยังไดหลวงพ่ออาจจะเข้าไปก็ได้อันนี้ค่อยๆเบิ่งเบิงซะก่อนนะเพราะว่าสางเจดีย์ว่ามันสางเพื่อภัยได้ว่ามันสางเพื่อหลวงพ่อได้สางเพื่อบูชาพระคุณหลวงตาอย่างบา น, นั่นแหะนนไหนมันดีสางให้ดีให้เหมอะให้สมให้สวยให้งามแต่บางคนก็บอกว่า โอ้ยทาสางไปแล้วไพ่ที่ดูแลตัวไปพ่ายภากหนาเอออันนั้นไปว่างโง่หมากๆเลยขั้นที่คิดโง่ปนันเลยโอกย้กูนี่สิกินเข่าพยัางมือหนิกินไปแล้วมืออืน ม, มือหืมกูทีตายแล้วกูทีเศ้ากินซะมือห น, นิความคืดแบบนั้นคือความคิดถึงสี่แล้วนั้นไปออคือความคืดขาเจ้าของในขณะที่เข้าเหตุเข้าตรงเห็ุให้ดีที่สุดเพื่อบูชาผู้ที่เข้ารักเคารพ เ อ, อแล้วต่อไปไพ่ภาคนาเขาเห็นคุ้นคาล่ะเ อ, อขนาดทัตมาหานเขาหักเมียเขาก็ยังสางให้เมียเขาถึงขนาดนั้นขนาดกรรมกิเลส ต, ตัวกิเลสแต่สางขนาดยังขนาดนั้นเอาเนี่ยเข้าสางบูชาพระอริยะสางผู้บรรผู้ดผลดพ้นจากอาสวะกิเลสผู้ลดพ้นจากอาสวะกิเลสพวกเขาอยู่เบื้องหลังนี่แหละเข้า บูชาให้เนื้อกว่านั้นทีบัวใดบ่ต้องคิดให้เนื้อกว่านั้นแต่บทเนื้อกว่านั้นเขาเอาเถอะขนาดได้ขนาดนึงคือซุดหัวใจเฮากับพ่อแล้วอแต่ไปคิดว่าสร้างขึ้นมาเหรอจะบ่มีบัวใดดูแล ร, รักษาต่อไปเขาถ้าหาว่าเขาหลู่คุ้นค่าเขาก็ต้องรักษาถ้าเขาบัลูุคุ้นค่าเลยเออสร้างไปมันก็เกิดไม่ประโยชน์แต่ก็สร้างหัวเขาต่อไปไพ่พักหนาเขาจะไปหาคิดน้าเขาอหีอย้ยงคิดงงให้โง่เหี้ยง เราให้คิดให้ดีที่สุดในขณะที่เข้าถ้ำก็พ่อแล้วนะเมื่อเขากินเขาเข้าไปเนี่ยเขากงจ่กว่าเข้าสิตายโยต่อไปพ่ายภาคหนาเนี่ยจะแม่นมือได้แต่เขากินเขาให้โงอให้อย่างหน่งหามาหาหามาใส่ปากใส่ท้องให้มันโงออย่างเศรากินซะนะอลองรอดมันต้เป็นยังไงนะมันเหตุใดบอแบบอันนี้คือกันนั่นแหละการสร้างเดียวหนี่งก็เพื่ออนาคตอนาคตมันจะเป็นยังไง ออไปยังได้ก็อยู่ในกฎอันนี้จังทุกขังอนัตตาน่ะพังทลายมัดสื่อสางวัตถุจังใดแต่ว่าขณะที่เขายังมีชีวิตอยู่เอเขายังอยู่เดี๋ยวนี้เห็ดจังใดดีหูจักบ้อขันบูจักดีบูจักสัวแลยก็โอ้บูจักสิว่านั่มจังไดแหละขันหูจักดีหูจักสัวอันนั้นดีอันนี้ดีอันนี้เลิอดประเสริฐเออก็เอาเหตุดีเหตุมันดีบูชาพระคุณลงตา ยังค่อยแมนบางคนก็บอกว่าถ้าสางขึ้นไปแล้วถ้ามายุ่งเยิงบุญไหา้คนมาเที่ยวเออถ้าคนมาเที่ยวก็จะไปให้าสางให้ยังเออก็ไปอยู่ในทาผู้เดียวกันพวห้คนมาวัดหลวงพ่อจะไปอยู่ในหลังเขาคนนีน้นี่อยากจะให้พี่น้องมาวัดจึงได้มาสางเเออจะมาเห็นพระเห็นเน้น เ, ออเพื่อจันทรร่องพระพุทธศาสนาให้จเจริญหมันคง หลูกศิษย์หลูกหาเขามากเกี่ยวของศรัทธาอย่าโจ่งเขามากเกี่ยวของเออเอามามาแล้วก็แจกเอ็พสามให้แจกหนังสือให้แจกทำมาให้ให้พวกเขาเอาไปศึกษานะเออเอาไปอ่านนะเอาไปศึกษานะแต่อย่าเฝ้าเสือนะเอาไปศึกษาแล้วให้ ป, ปฏิบัติในเมื่อปฏิบัติเราเห็นจริงเลยเออยังค่อยว่ากันเสือหรือโบเสือเออพระเดขอให้พวกเข้าเอเขามา หลวงพอบริบตีเษสษสั่งวัดกัณโมจักจกัณโมอยากให้ค้นขามาที่มหาสาั่งยังวัดอันนี้คือกันทําซาสาั่งถาวรวัตถุขึ้นมาเลยเอามือง้มหนาเฮ็ดเฮ็ดทางห้างไว้ทำให้ทําให้จริงในใจในะอยาให้คนมามาอ่านมาศึกษามาเบิงวนไปสั่งขึ้นมาแล้วอแต่ว่าทางนอกเนะี่วายมหาอยากาอยากยุ่งกับค น, นอกท่านนั้นท่านนี้ ลงพอว่ามันเหมาออกมาจากใจจริงนะถ้าออกใจจริงแล้ออกไปอยู่ในป่าผู้เดียวหายเงียบไปอยู่ในธรําไปอยู่ยังไหนก็ได้กินยังไหนก็ได้อันนั้นแปลว่าหนาเชื่อถือเอแต่ว่าขั้นว่าสางทวารหรือว่าอย่างไห้คตรมาเน่ยอย่างย่นยุ่งเยินยุ่งเยิงวุ่นวายเลี่ยลงพอว่ามันคิดพอถูกถ้าคิดถูกนะเออ อย่างวัดปั่นตาดคือกันหลวงพ่อวาดนะทั้งนาในสางแต่ว่าทั้งหลังนะี่หัวก็ไม่อยู่แล้วนะย่าให้คนเข่าไปวันเปิดประตูหัวเลยให้พระปฏิบัติภาวนาอยู่พุทธทั้งนาเนี่เออสงเป็นสถานที่เคารพสักการะบูชาพ่อแม่ครูบาอาจารย์แบ่งส่วนปันส่วนแบ่งส่วนอย่างวัดของเฮ้าเนี่ยคนมาหลายปันเอก็ตาม บางที่มาเป็นรถบัส ท, ทั้งหลายขั้นแต่หลวงพอบอยเห็นเขาไปขางไงได้เขียนประกาศไปอีกเขตสงห้ามเข้านะหลวงพอบอกเองผู้ใดก็ตามพระองค์ใดก็ตามในวัดขี่รถขี่ปิกอัพเข้าไปโดยไม่มีเหตุผลเขาไปโด ย, โ ด, ยด้วยดาจะไปใสก็ไปผงพอจะไล่ออกจากวัดท่านที่เลยเพราะเหตุไหลมันเขาไปหนุงทําไหม พระสงฆ์องค์พนตั้งใจภาวนาต้องการความสงบมีอยู่ตัวเองเนี่ยม อ, อยากความต้องการความสงบือไปหยุ่นทาไมเอารถเขาไปทําไมมันเสียงดังรบกวนหมู่พวกเพื่อนเว้นเสือจะเขาไปทําการทํางานบางข่างบางครา้าเออกระบาวากันเ อ, อีมันก็ต้องเอาเขาไปแต่ว่าไปผมมีเหตุผมมีผลเข้าไปอย่างคีย เ, เขาไปจะคือคียไปหากันคือคียไปเอาของคือของมันหลายประห น, นบ่งมันสะสมมายังไวแดานะ พระไม่เอ่มันขนของไปไว้อยังเอาของไปอยังไปไว้หันมันมาหาของเถ่อมามามาสั่งสมของบอกคือมามาภาวนามาบําเพ็ญคือมาเก็บสะสมของเออจนหาทีไปจนเอารถเข้าไปแก่เอาของออกมามันขนาดนั้นทีความโลภของพระเนี่ฮะมันเข้าไปองค์ไหนเข้าไปพระเวียนอยู่สลาบอกเข้านะ มันเข้าไปเลาวจะไล่หนีพอให้มันเขาวัดอีกต่อไปะหลวงพ่อผูดจังสันเนี่อพอเขตสงฆ์อาสงฆ์นี่แหละหามาอยู่ในศาลาแล้วก็ออกไปคันมีศรัทธาญาติโน้มพ่อแม่มาเออมาคุยกันอยู่ในศาลาเออมาคุยกันแล้วก็ไปแต่บางองค์ก็บอกหุจักข้ามไปเลยหลวงพ่อนางรับแขกกันนะมานับงรับแขกคุยกันส่ง ว, วงสงเสียงหลวงพ่อก็ด่าอีก งอตายมาแตอเวลาเข้าอยู่ก็จะมาหาคุยแข่งกันยังไเอไปหาลบลบคุยจะต้งทั้งขางขางกันเลยมงได้ก็ได้เป็นอยงเดหามาคุยกันอยู่นี่มันพะงอมาเนี่ยไปมันบ่ได้รับการศึกษามันบม่จักความเกรงใจซะเลยถูกไหมเฮ็ดจังสันมันรู้จักกาละเทศะไหมเข้าสอนว่ากาละเทศะการสถานที่บุกคลควรทํำยังไง เขาสอนมาแล้วเขาบอกมาแล้วนะนี่แหละหลวงพ่อก็มาคิดอีกขึ้นกันการสอนของชิดบอกกาวลูกชิดลูกหาบาวาา่าญญาติโยมบาวาปนะลานะอหลวงพ่อก็ย่านย่านย่านย่ามหลวงพ่อเ่าขึ้นกันเนะลอหลวงพ่อเ่าสมัยยังนมเนี่สอนได้เม็ดเพราะได้เห็ดพิษอย่างดุดาฟากาวได้มานในหม้อเ่าขึ้นมาเนี่ยนางนางเบิงผลงานได้บาด ข้างป้มๆสตาถูถัここ่วใช่นางเบิ่งผลงานเจ้าของมันไปบานนี้ลูกซีดลูกหาบางคนเนี่ยโลภโหโมกกะละโมกกระหนาวเออมีแต่ความอยากค่ะกิเลสมันไปเออความโลภความโกรธความหลงในจิตในใจมันบ่อยเอาธรรมะเขาสู้จิตใจได้เอ่อเทาเอาธรรมะเขาสู้จิตใจนะมันจะโบมี่ยังการเทศะเออเป็นยังไงมาโลภเพื่ออะไร เอ่อมา่นแสดงออกอยังไงในวัดเป็นสถานที่ขัดเกลักกิเลสมันโมเมนสถานที่โลภโหมโกกหนักจะมั่นโลภอย่างโลภในวัดเป็นโลภออกนอกวัดพอ น, นะอยู่ในวัดโมเมนสถานที่โลภเป็นสถานที่เื่อเรือเพลือแพร่มีน้ำใจโต้กันวัดกูใจแม่วัดเป็นสถานที่สละกิเลสล่าโลภโกดหลงวัดมันโมเมนสถานที่สังสมกิเลสนี่แหละ สิ่งมูลทั้งหลายทั้งปวงเราเนี่ยนะบรมนหลวงพอบกคิดนะหลวงพอคิดการแนะน้ำสั่งสอนบอกกล่าวลูกศิษย์ลูกหานะี่ยผลมันออกมาจังไดมันออกมาจะเป็นสิ่งที่ปรารถนาไหมทั้งทีหลวงพ่อในเจตนาดีอยากจะให้พวกลูกศิษย์ลูกหาทั้งหลายเขามาเนี่ยเแสวงหาบุญกุศลเขาสู้จิตเขาสู้ใจแล้วให้พวกเขามีแต่ความสุขความเย็นใจต่อไปพ่ายภาคนากันนะั่น บุญกุศลทั้งหลายทั้งปวงที่เฮาบำเพ็ญมากนี่ยทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมิถือความสุขความเจริญทั้งด้านจิตทั้งด้านใจของเฮาโมเมนต์มาโลภโหโม ก, กันาใส่ขีเดราคะโทสะโมห์ใส่กันมองกันหนากันบ่อยเห็นกันหนาหนาสั้นชิกเงกหนาหนาเข่งอิงติง่งบ่าวกันหลวงพอปานเเสียมขุด เอขุดหลุมขี่เขาว่านข้นหมอล้าน่ะเนี่ยเขาขี่ไปเราเป็นหลุมถุ่มหลุมเอถมหลุมไว้ได้เอาไปมันไปคิดถูกลมเกาเหม็นหึงน่งนนี่คือกันน่ะเออพวกเข้าใช้กิเลสโลภโกรดหลงเข้ามาสู่จิตเขาสู่ใจการอยู่ด้วยกันมันต้องมีความเอือเฟืออ่ออืออารีต่อกันมันจึงจะถูกนะลูกหลาน เมื่อนี้หลวงพ่อวาแนวความคิดให้ลูกหลานได้ฟังในหลายแง่มุมนะมันแ้ก็เป็นภาษาบ้านเฮาอีกต่างหากนะเอาตอน้ไปรับพอในทันทีนะ